ราญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14บุมภาพัน์พุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมพลังให้แก่จิตใจ จิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่จะต้องมีปัจจัยสนับสนุนให้มีกำลังที่จะสามารถเดินต่อไปได้เหมือนกับรถยนต์รถยนต์ก็ต้องแวะตามสถานีบริการเพื่อคอยเติมน้ำมันเติมน้ำเติมลมเพื่อที่จะได้รักษาสภาพของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถ เดินทางไปไหนมาไหนได้ร่างกายของพวกเราก็ต้องมีการรับประทานอาหารมีการดื่มน้ำมีการเสริมเสื้อสมใส่เสื้อผ้าอภรรต่างๆมีบ้านไว้สำหรับภาพพรและมีย า, วาไว้สกไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกับร่างกาย ที่จำเป็นจะต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหง่มมีที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคถ้าเราขาดปัดจจัยสี่ของใจใจของเราจะไม่ค่อยมีความสุขจะมีความหนักอกหนักใจไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะมี ปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์ทางร่างกายมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมากมายกายกองมีบ้านใหญ่โตมียารักษาโรคมีโรงพยาบาลดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าใจของเราขาดปัจจัยสี่ของใจขาดอาหารขาดเครื่องนุ่งห่มขาดที่อยู่อาศัย การยารักษาโรคใจใจของเราก็จะไม่มีความถุขดังนั้นเราต้องดูแลส่วนที่เป็นของเราทั้งสองส่วนร่างกายเราเราก็ต้องดูแลจิตใจของพวกเราก็ต้องดูแลการมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการมาแวะสถานีบริการเพื่อเราจะได้เติมพลังให้แก่ใจของเรา เหมือนกับเราแวะตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันรถเติมน้ำให้รถเติมลมให้กับรถชั้นใดการมาวัดก็มาตามมาเติมพลังให้แก่จิตใจด้วยการทำบุญทำทานที่เปียกเหมือนกับเป็นอาหารของใจด้วยการรักษาศีลที่เปียมเหมือนเสื้อผ้าอภรรของใจแล้วก็เติมด้วยสมาธิ ทำใจให้สงบก็จะเป็นเหมือนกับบ้านที่อยู่อาศัยของใจแล้วก็เติมปัญญาให้เกิดความฉลาดเพื่อจะได้กำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เป็นโรคภัยของใจให้หมดไปถ้าเรามีมีการทำบุญทําทานมีการรักษาศีลมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญา ใจของพวกเราก็จะสบายสงบเย็นไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่หนักอกหนักใจไม่สบายอกไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆนี่คือสิ่งที่เรามากระทำกันในวันนี้เรามาทำบุญทาทานเท่ากับการให้อาหารกับใจเวลาเราทำบุญทาทานแล้ว เราจะมีความรู้สึกอิ่ม อ, อกอิ่มใจนี่ความอิ่มอิ่มอกอิ่มใจเกิดจากการทําบุญให้ทานทําแล้วใจก็จะสบายเหมือนกับได้รับประธานอาหารจะไม่หิวโหวยเหมือนกับใจที่ไม่ได้ทําบุญทําทานต่อให้ได้รับประทานอาหารทางร่างกายมากน้อยเพียงไรก็ตาม แต่อาหารทางร่างกายนี้ไม่สามารถสร้างความอิ่มอกอิ่มใจให้กับใจได้ต้องมีการทําบุญให้ทานนี้เท่านั้นถึงจะทําให้เรามีความอิ่มเอิบใจและอาหารของใจที่เรารับประทานที่เราได้จากการทําบุญทําทานนี้จะดูแลใจของเราทั้งในปัจจุบันขณะที่เรามีชีวิตอยู่ และหลังจากที่เราตายไปแล้วอาหารที่เราให้กับใจคือบุญกุศลที่เกิดจากการทำบุญให้ทานนี้ก็จะติดไปกับใจของเราต่อไปจะทำให้ใจของเราไปอย่างสุขสบายไม่ได้ไปแบบหิวโหยไม่ได้ไปแบบต้องมาเป็นดวงวิญญาณมาขอรอรับส่วนบุญจากผู้อื่นเพราะเรามีบุญติดตัวกับเราไป นี่คืออาหารของใจควรพยายามทำบุญกันอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการรับประทานอาหารเรารับประทานอาหารกันอย่างสม่ำเสมอเพราะเรารู้ว่าเวลาใดที่เราไม่รั บ, รบประทานอาหารเวลานั้นร่างกายก็จะเกิดความหิวโหวยขึ้นมาเกิดความอ่อนแอและอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาได้ เราจึงต้องรับประทานอาหารกันทุกวันวันละสามครั้งสาเวลาส่วนการทำบุญคือให้อาหารกับใจนี้เรานานๆจะให้กันสักครั้งหนึ่งเช่อนอาทิตย์หนึ่งก็มาวัดกันสักครั้งหนึ่งบางคนน้อยกว่านั้นบางคนปีหนึ่งจะมาสักสองสามครั้งมาวันเกิดครั้งหนึ่งมาวันปีใหม่ครั้งหนึ่งใจก็เลยหิวโหยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพอเพราะสิ่งที่ไปหาให้กับใจมันไม่ได้เป็นอาหารที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอนั่นเองอาหารที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอก็คือการให้แบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีเกินเราไม่จำเป็นต้องมีเก็บเอาไว้เราก็เอาไปทำบุญให้ทาน เช่นเงินทองที่เรามีเหลืออย่าเอาไปใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นเงินทองนี่มีไว้สําหรับซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคถ้าเรามีพอแล้วเรามีเงินทองเหลืออย่าเอาเงินไปซื้อความสุขด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปซื้อของฟุ่มเฟือยด้วยการไปหาความสุขทางมหรสพบันเทิงต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราไปติดสิ่งเหล่านี้แล้วเราต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วเสพเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอจะทำให้เรานี้ไม่มีเวลาที่จะมาให้อาหารกับใจแทนที่เราจะเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขที่เป็นเหมือนยาเสพติดให้เรามาซื้อความสุขที่เป็นเหมือนอาหารดีกว่า อย่างร่างกายของเรานี้เราเอาเงินทองไปซื้อระหว่างยาเสพติดกับอาหารนี้เราจะเลือกซื้ออะไรกันถ้าเราซื้อยาเสพติดนี้ร่างกายเราก็ต้องผอมแห้งแรงน้อยและตายไปในที่สุดเพราะเมื่อเราติดยาเสพติดแล้วเราก็จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องอาหารของร่างกายเพราะความอยากจะเสพ ย, ยามันมีความรุนแรงและทำให้ทุกข์ทรมานใจถ้าไม่ได้เสพ ยอมตายดีกว่าไม่ได้เสพยาฉันใดถ้าพวกเราเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆที่ไม่จำเป็นเราก็จะเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดแล้วทำให้เราไม่มีเงินทองมาทำบุญทาทานกันใจของเราก็เลยจะหิวโหวยคนที่ไม่ได้ทำบุญทาทานแล้วทำบาปนี้เวลาตายไปนี่ใจนี่จะกลายเป็นเปรกไป มีแต่ความหิวโหยจะต้องคอยมารับส่วนบุญส่วนกุศลของผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราหมั่นทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วหมั่นรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เวลาเราตายไปเราจะได้ไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญเราจะเทวดาก็เหมือนกับผู้ที่มีเงินทองไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไ ป, ไปเที่ยวในโลกทิพย์ไปดูรูปทิพย์ฟังเสียงทิพย์ดมกลิ่นทิพย์ที่มีความละเอียดที่มีความวิเศษกว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้เสพสัมผัสผ่านทางร่างกายนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคำนึงถึงเพราะว่าร่างกายของเรานี้มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดสภาพไป เวลามันหมดสภาพเราก็อาศัยมันไม่ได้สิ่งที่เราจะอาศัยหลังจากที่ไม่มีร่างกายก็คือบุญกุศลหรือปัจจัยสีของใจนี้เองเราต้องพยายามทำบุญแล้วก็ต้องรักษาสีเพราะสีนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เราเป็นจิตที่สวยงามเป็นเทพเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระอริยเจ้า ถ้าเราไม่รักษาศีลนี้ใจของเราจะเป็นใจที่ไม่ดีเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเราต้องรักษาศีลศีลนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าอภารรตที่เราสวมใส่เวลาเราไปไหนข้างนอกบ้านนี้เราต้องมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆไว้สวมใส่เพราะเราไม่อยากจะให้คนอื่นเขาดูถูกดูแคลน เปียนช่างเราเพราะเราไม่มีเสื้อผ้าที่สวยงามแลยสวมใส่ดันใดความสวยงามของใจก็สวยด้วยศีลละธรรมสวยด้วยศีลห้าข้อคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพชรายราแนาคนที่มีศีล น, นี้จะเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคม ส่วนคนที่ไม่มีสีนี้จะเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมเวลาที่เราจะพบปะกับใครหรือจ้างใครมาทำงานกับเรานี้เราจะต้องดูความสวยงามทางจิตใจของเขาว่าเขาเป็นคนขี้ขโมยหรือเปล่าเป็นคนพูดปดมดเท็ดหรือเปล่าคนชอบฆ่าชอบประพฤติผิดประเวณีหรือเปล่า คนเสปสุรายาเมาหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนแบบนี้เราก็จะไม่อยากจะจ้างเขามาทำงานกับเราเพราะโอกาสที่เขาจะมาทำร้ายเรานี้มีมากแต่ถ้าเราจ้างคนที่ไม่ค่าไม่ลักทรัพ์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ไม่มาทำความเสียหายให้กับเรา นี่คือความสวยงามที่แท้จริงของพวกเราสวยงามด้วยศีลห้าข้อนี้ไม่ได้สวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรรท์ที่วิจิตพิสดารที่มีราคาแพงๆต่อให้สวมใส่เสื้อผ้าชุดละหมื่นชุดละแสนแต่ถ้าใจไม่สวยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยอาจจะคบตอนใหม่ๆเพราะไม่รู้ เห็นใส่เสื้อผ้าสวยงามก็เลยคิดว่าใจจะสวยงามเหมือนกับเสื้อผ้าที่สวมใส่แต่พออยู่ไปแล้วก็เริ่มเห็นภาตแท้คือการไม่มีสิงก็จะไม่มีความอยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้ารู้ว่าชอบรักเล็กขโมยน้อยชอบโกหกหลอกลวงช่วยอะชอืชอชบไปแอบมียุ่งไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่น ถ้าเรารู้เขาเป็นคนแบบนี้เราก็จะไม่อยากที่จะยุ่งกับเขาเพราะเป็นคนที่น่ารังเกียจนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีเป็นคนที่สวยงามขอให้เรามาสวยงามด้วยทางใจกันคือมารักษาศีลห้ากันให้ได้แล้วรับรองได้ว่าจะมีเพื่อนเยอะจะมีคนรักมีคนชอบเราประกอบกับ ก, บการ ทำบุญทำทานถ้าเรามีสองส่วนนี้เราจะเป็นคนที่น่ารักไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะมีแต่คนเขาชอบเขาอยากจะให้เราอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้เราจากเขาไปแต่ถ้าเราเป็นคนตหนีเป็นคนไม่ใจกว้างเป็นคนที่ไม่มีศีลเป็นคนคดเคี้ยวไม่ซื่อสัตย์สุจริตนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะให้อยู่ด้วย อยากจะให้ไปเร็วๆเพราะอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความสุขไม่ทำให้เกิดประโยชน์มีแต่กา ร, รให้เกิดโทษเกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นนี่คือสิ่งที่สองที่เราควรจะมีก็คือให้มีเสื้อผ้าอาร์รสวมใส่ด้วยการมีสีหน้าแล้วเราจะเป็นคนน่ารักเราไม่ต้องร่ำไม่ต้องรวยไม่ต้องเก่งไม่ต้องฉลาด คนเก่งคนฉลาดคนร่ำรวยแต่คนไม่มีศีลนี้ก็จะไม่สามารถที่จะปกป้องรักษาตนเองให้อยู่ในสถานภาพที่ดีได้ไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปประสบกับอุบัติเหตุเช่นดื่มสุราจนมึนเมาแล้วก็ขับรถไปตามท้องถนน ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจออุบัติเหตุรถพลิก ค, ควา่าหรือชนชนกันตายได้นี่คือโทษของการไม่มีศีลเราต้องพยายามให้ความสำคัญกว่าให้กับการมีศีลยิ่งกว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีความฉลาดความเก่งขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็จะเอาตัวไม่รอดจะต้องไปตกทุกข์ได้ยาก ในที่ลำบากต่อไปตายไปก็จะไม่ได้ไปสู่สุคติตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบายนี่คือเรื่องของการมีศีลซึ่งเป็นเหมือนเสื้อผ้าอภารร์เครื่องเสริมความสวยความงามของจิตใจสิ่งที่สามที่จิตใจต้องการก็คือที่อยู่อาศัยเหมือนกับร่างกายร่างกายเวลาฝนตกแดดออก เวลาต้องการพักผ e, ่อนหลับนอนเราก็ต้องมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยฉันใดใจของเราก็ต้องการที่พักผ่อนเหมือนกันเวลาที่เรามีความวุ่นวายใจเดือดร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราไม่มีที่พักผ่อนเราก็จะต้องทนไปกับความวุ่นวายใจทนกับการกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไม่มีที่หลบ ที่อาศัยของใจเหมือนกับถ้าเราไม่มีบ้านเวลาฝนตกมีลามีพายุมาเราก็ไม่มีที่หลบเราก็ต้องโดนฝนโดนลมพัดแต่ถ้าเรามีบ้านเราก็เข้าไปหลบได้หลบภัยได้ใจของเราก็ต้องการบ้านบ้านของใจก็คือความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ เวลาเรามีความไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้พอเราไปนั่งสมาธิปั๊บความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปหมดเลยใจจะสงบจะมีความสุขนี่คือที่อยู่อาศัยของใจเราต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาวิธีสร้างขึ้นมาก็ต้องมีสติ สติก็คือการกำกับควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยเพราะความคิดนี่แหละที่จะทำให้เราไม่สบายใจพอคิดถึงเรื่องที่เราไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็จะทำให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีสติสามารถควบคุมบังคับไม่ให้คิดได้พอเราไม่คิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบถึงคนที่เราไม่ชอบ ความไม่สบายใจก็จะหายไปดังนั้นเราต้องมาฝึกสร้างสติกันสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ถ้าเราขับรถไม่มีเบรกอะไรจะเกิดขึ้นเวลาที่เราจะต้องหยุดแล้วเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องไปชนรถคันอื่นอย่างแน่นอนฉัในใดถ้าเราไม่มีเบรกของใจใจของเราก็จะต้องไปชนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปชนกับคนนั้นคนนี้แล้วก็จะทำให้เราวุ่นวายใจ ไม่สบายใจหนักอกหนักใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเรามีเบรกพอเราจะไปชนเรื่องนั้นชนเรื่องนี้เราก็หยุดมันพอหยุดมันความไม่สบายใจก็หายไปความหนักอกหนักใจก็หายไปดังนั้นเราต้องมาสร้างสติกันวิธีสร้างสติก็คือให้เราเลลึกถึงคำว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อย อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝึกท่องพุทธโธไปต่อไปเราจะสามารถใช้พุทธโธหยุดความคิดต่างๆได้เวลาไม่สบายใจปั๊บก็ท่องพุทธโธพุทธโธไปห้านาทีเท่านั้นแหละความไม่สบายใจหายไปเลยถ้าเราไม่ท่องพุทธโธนี้บางทีความไม่สบายใจนี้กว่าจะหายไปก็อีกหลายชั่วโมงหรืออีกหลายวันด้วยกันแต่ถ้าเรามีพุทธโธนี้เดียวเดียวเท่านั้นเอง ความไม่สบายใจก็จะหายไปหมดเลยดังนั้นขอให้เราพยายามท่องพุโทโธกันอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะสามารถที่จะพาใจให้หลดออกจากเรื่องวุ่นวายใจต่างๆได้และประการที่สสิ่งที่เราต้องการให้กับใจก็คือยารักษาโรคใจใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกับร่างกาย โรคภัยค่เจ็บของใจก็คืออะไรก็คือความเครียดชนิดต่างๆความวิตกกังวลความหวาดกลัวความความวิตกกังวลความเดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆนี้เกิดจากเชื้อโรคร่างกายไม่สบายก็มีเชื้อโรคทำให้ไม่สบายใจก็มีเชื้อโรคเชื้อโรคของใจที่ทำให้เราไม่สบายก็คือความโลภความโกรธความหลง และสิ่งที่จะมารักษาเชื้อโรคเหล่านี้ให้หายไปจากใจได้ก็คือปัญญาปัญญาก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้เราเห็นความจริงกันให้รู้ความจริงกันตอนนี้เราไม่เห็นความจริงเราไม่รู้ความจริงเราก็เลยทําให้เราเกิดความหลงทําให้เราเกิดความโลภ ทำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราจะไม่หลงเมื่อไม่หลงเราจะไม่โลภเราจะไม่โกรธเมื่อเราไม่โลภไม่โกรธใจของเราก็จะเย็นจะสบายสิ่งที่ทำให้เราหลงก็คือเราไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราจะให้ความสุขกับเรา สิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราทุกคนหากันนี้เราก็คิดว่าหามาแล้วจะทำให้เรามีความสุขกันแต่ความจริงเป็นอย่างไรพอเราหามาได้แล้วแทนที่จะเป็นความสุขมันกลายเป็นความทุกข์ไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามบุคคลสิ่งของต่างๆตอนต้นเราคิดว่าได้เขามาแล้วจะมีความสุขพอได้เขามาจริงๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเขาถ้าเราลักเขาเราก็จะหวง เราก็จะทุกข์กับความหวงแล้วเราก็จะต้องทุกข์กับความหวงใหญ่แล้วในที่สุดเราก็จะต้องมาทุกข์กับความสูญเสียเวลาที่เขาจากเราไปเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการจากกันไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆสิ่งที่เราได้มานี้ ไม่ช้าก็เลยก็จะต้องจากเราไปนะตอนที่ยังไม่จากก็ทำให้เรากระวลก็วายก็สับกสายวิตกกังวลกลัวว่าจะจากเราไปนี่คือสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุทรงศึกษาทรงค้นคว้าจนได้ข้อสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ มันให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนไปสิ่งที่เราได้มาใหม่ๆมันก็ดีเป็นหมดแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เสื่อมมันก็เปลี่ยนไปมันก็ทำให้เราต้องมาเดือดร้อนกับมันเช่นรถยนต์เวลาซื้อใหม่ ๆ, ๆมันก็ขับไปไหนมาได้ได้อย่างสะดวกสบายพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเสียเริ่มชำรุดทีนี้เราก็ต้องปวดหัว กับการที่จะต้องเอารถเข้าอู่เข้าไปซ่อมจะไปไหนก็ไปไม่ได้กพลรถเสียนี่คือสภาพของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราแต่เรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเขาเราไม่เห็นว่าเขาจะต้องเสือ่อมเขาจะต้องเสียเขาจะต้องหมดไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสอนใจ เพื่อเราจะได้ไม่โลภไม่อยากได้อะไรสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงและความไม่เที่ยงนี้มันจะทําให้เราทุกข์ใจและมันจะไม่เป็นของเราไปตลอดสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปและขณะที่อยู่กับมันบางทีเราก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะดีมันก็ดีเวลามันจะไม่ดีมันก็ไม่ดีเราจะไปสั่งให้มันดีไปตลอดก็สั่งมันไม่ได้ ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะมันไม่แน่นอนมีกาณมันมีการเจริญมีการเสื่อมไม่มีการดับมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเรามีปัญญาสอนใจอย่างนี้เราก็จะไม่โลบไม่โลภอยากได้อะไรเมื่อเราไม่โลภอยากได้อะไรเราก็จะไม่โกรธใคร เวลาเราโกรธนี้เราโกรธเพราะคนมาขัดใจเราใช่ไหมพอเราอยากจะทำอย่างนี้พอเขาไม่ให้เราทำเราก็โกรธเขาพอเราอยากจะได้สิ่งนั้นเขาเอาไปก่อนเราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่อยากได้อะไรไม่อยากจะทำอะไรเราจะไม่มีวันโกรธใครแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจเราจะอยู่ในโลกนี้ไปได้อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีโรคภัยท่ายเจ็บทางจิตใจ ถ้าเรามีปัญญานี่คือปัจจัยสี่ของใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเจริญกันมาสร้างกันมาทำบุญให้ทานเพื่อให้เสื้อผ้าเพื่อให้อาหารแก่ใจมารักษาศิลเพื่อให้ความสวยงามเสื้อผ้าอภรรแก่ใจมานั่งสมาธิเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยของใจและมาเจริญปัญญา มาพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่ได้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงอย่าไปโลภอยากได้เมื่อไม่โลภอยากได้แล้วจะไม่โกรธจะอยู่อย่างมีความสงบมีความสุขไปตลอดนี่คือปัจจัยสี่ของใจถ้าพวกเราทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทําได้แล้ว รับรองว่าใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจความวุ่นวายใจความไม่สบายใจเลยจึงขอฝากเรื่องของการมาหาพลังให้แก่จิตใจด้วยการเจริญทางศีลสมาธิและปัญญานี้ให้ทั่นได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้ากันเธอ